ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงมีการแบ่งออกเป็นปริัติและปฏิบัติปริยัาใ น, นเรื่องการศึกษาศึกษาธรรมและที่สมัยคือการจดจำจดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าจดจำธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้ แนะนำสั่งสอนแต่จดจำแล้วนี่มันก็ยังไม่พอนะมันต้องปฏิบัติหรือทำด้วยจาได้เยอะแต่ไม่ได้ทำเลยนะมันก็ไม่มีประโยชน์มีคนจำนวนมากมายนะที่จดจําข้อธรรมได้เยอะมากแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยหรือว่า ไม่ได้นำเอาสิ่งที่จดจํานั้นเนี่ยไปทาให้เกิดผลอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์จากทํเนี่ยน้อยนะบางทีกลับจะเป็นโทษซะอีกนะเพราะว่าสิ่งที่จาเนี่ยก็เอามาใช้เพื่อส่งเสริมกิเลสว่าฉันเป็นคนรู้มากฉันเป็นคนรู้เยอะใช้สิ่งที่จดจำที่เรียกว่าความรู้เนี่ยไป กดข่มคนอื่นหรือว่ายกตนข่มท่านเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลเสียของการที่จำได้เยอะแต่ไม่ทำาถ้าจำได้เยอะนะแต่ไม่ทำนี่มันก็ทำให้ธรรมะนี่มันกานลายเป็นสิ่งที่สูญเปล่าได้หรือทำให้ธรรมะนี่กลายเป็นสิ่งที่ ไม่ดีในสายตาของผู้คนที่อยู่ภายนอกหรือที่อยู่รอบข้างเราจะบอกว่าโอ้ยรู้ทรรไม่เยอะแต่ไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยยังเห็นแก่ตัวยังเป็นคนเจ้าอารมณ์หรือว่ายังกินเหล้าติดยาอันนี้กลายเป็นั เป็นการทำให้ธรรมะนี่มันกลายเป็นสิ่งที่ดูไม่ดีนในสายตาของคนอื่นจำกับทำเนี่ยมันที่จริงมันก็เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันมากนะเพราะว่าเราจะทำหรือปฏิบัติได้ดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการจดจำนะ จดจำว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์แนะนำนี่มีอะไรบ้างมันจะปฏิบัติถูกก็ต้องจำได้ซะ ก, ก่อนและจำได้ถูกด้วยแล้วคนนี้พอพอทาบ่อยๆเข้ามันก็จำได้แม่นแต่ปัญหาคือว่า จากการจำเนี่ยไปสู่การทำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายมันมีช่องว่างมันมีระยะห่างมากระหว่างการจำกับการลงมือทำในสิ่งที่จดจำได้จำแล้วนี่แต่ไม่ทำเนี่ยอันนี้มันก็ มีสาเหตุหลายประการนะอาจจะเป็นเพราะว่าพ่ายแพ้ต่ออำนาจของกิเลสสิ่งที่จำเนี่ยคือข้อธรรมเนี่ยมันมันสวนทางกับกิเลสมันไม่ได้ปลนเปื้อกิเลสมันไม่ได้ปลนเปอตัวตนเพราะฉะนั้นพอกิเลสครอบงา ไอ้สิ่งที่จําไปมันก็เลยลืมไปเลยและที่จริงเนี่ยไอ้ความลืมนี่ก็เป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งเลยนะที่ทำให้จําอะไรมาเยอะแยะแต่ถึงเวลาก็ไม่ได้ทำ หรือไม่ได้นําไปปฏิบัติไอ้ที่ลืมนี่พาะหลงนะพ่อถูกอารมณ์ครอบงํามันก็แปลกนะคนเราเนี่ยจดจําธรรมะได้ได้เยอะได้มากนะในเวลาที่ยังไม่จําเป็นต้องทําหรือยังไม่จําเป็นต้องนําไปปฏิบัติ แต่พอถึงเวลาที่ต้องไปปฏิบัตินี่มันกลับจำไม่ได้เลยลืมไม่หมดอย่างเช่นคนที่เจอเพื่อนที่เขากำลังเศร้าโศกเสียใจเพราะสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักหรืออกหักเนี่ยหลายคนก็แนะนำได้นะ แนะนำเพื่อนนะให้คลายจากความเศร้าโศกนะแนะนำข้อธรรมที่ควรไปปฏิบัติหรือเจอคนที่กำลังโกรธแค้นนะก็แนะนำข้อธรรมให้กับเขาให้รู้จักปล่อยรู้จักวางใจรู้จักให้อภัย แต่พอเวลาตัวเองเจอความสูญเสียก็จมอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจหรือเวลาเจอมีมีใครมาตาดดาดต่อว่าด่าทอก็โกรธก็จมอยู่ในความโกรธไปให้ความโกรธเผาผลาญแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเอาธรรมะที่ตัวเองจดจำหรือรู้มาเนี่ยมามาใช้ เพื่อแก้ทุกขให้กับตัวเองได้เลยนั่นเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าลืมนะในสิ่งที่จํามาสิ่งที่เรียนรู้มานี่มันหายไปหมดเลยนึกไม่ออกพย้ยามที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้กับตัวเองแก้ทักขให้กับตัวเองนี่ นี่มันจําได้ดีเล้วกันสามารถที่จะสอนสามารถที่จะแนะนำคนอื่นได้อย่างละเอียดแต่ว่าพอถึงเวลาที่ตัวเองจําเป็นจะต้องนำเอาธรรมะไปปฏิบัติกับตัวเองนี่กลับนึกไม่ออกอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนตำนนมากเลยนะ อย่างบางคนเนี่ยได้ฟังทรมาบอกว่าต้องรู้จักปล่อยวางนะแม้กระทั่งเวลาทำบุญเวลาทำบุญถวายของให้กับใครถวายแล้วนี่ก็ให้วางสิ่ง น, นั้นจากใจไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้รับนี่เขาจะ เอาสิ่งนั้นไปทำอะไรหรือจะใช้สิ่งนั้นจะฉันอาหารที่ตัวเองถวายหรือไม่นะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอลงมือทำจริงๆนะก็ยังมีความยึดว่าเนี่ยของของฉันอาหารของฉันจีวรของฉันทำไมหลวงพ่อไม่คลองจีวรของฉันทำไมหลวงพ่อไม่ ฉันของที่ฉันถวายในสิ่งที่จำหรือได้เลยรู้มาจากครูบาอาจารย์นีมันลืมไม่หมดเลยเรียกว่าจำได้แต่ไม่ทำเพราะตอนที่ทำนั้นมันจำไม่ได้หรือว่า เป็นคนที่ชอบของหวานกินของหวานอยู่เป็นประจำจกนกระทั่งน้ำตาในเลือดนี่มันสูงขึ้นเรื่อยๆทำท่าจะเป็นเบาหวานตัวก็อ้วนไขมันในเลือกก็เยอ ะ, อะก็รู้ว่าการกินของหวานนี่ไม่ดี แต่พอเจอของหวานเข้าไอสิ่งที่ตั้งใจไว้หรือสิ่งที่ได้จดจำเอาไว้นะมันหายไปหมดเลยไม่สามารถจะระลึกได้ว่าโอ้ยอย่า ก, กินมากนะคำแนะนำของผู้รู้ว่าเนี่ยกินน้อยๆอาจจะแค่คำสองคำพอมันหายไปหมดเลย หรือเวลาที่สูญเสียทรัพย์เนี่ยทั้งที่ได้เรียนรู้มาเยอะนะว่าเอออะไรรัก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่จีรังสิ่งที่เรามีไม่นานก็ต้องหมดหรือหายไปแต่ตอนที่สูญเสียเนี่ยมันจำไม่ได้เลยนะกับคำสอนที่ว่า ก็เลยจมอยู่ความเศร้าโศกเสียใจที่คูบาจาแนะนำว่าให้รู้จักปล่อยรู้จักวางไอ้สิ่งที่สูญไปเนี่ยไม่นาก็หาใหม่ได้นึกไม่ออกเลยนะํำแนะนำแบบนี้ก็เลยจมดิงอยู่ความเศร้าโศกเนี่ยหรือเวลามีคนต่อว่าด่าทอแล้วโกรธเนี่ย ไอสิ่งที่จดจำมามาว่าเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยให้ภาวนาพุทธโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโรให้อยู่กับพุทธโธเอาไว้หรือมีความกลัวอะไรก็ตามก็พุทธโธไปก่อนแต่คำสอนเนี่ยคำแนะนำนี้ลืมไปเลยลืมพุทธโธไปเลย ก็เลยเศร้าโศกเก็เลยโกรธหรือกลัววิตกกังวล ใ, ในยามที่เราจะต้องนำธรรมะมาปฏิบัติหรือว่าทำให้ธรรมะมันเกิดผลนี่จะกลับลืมข้อธรรมทั้งหลายทั้งปวงหมด ที่ครูบาอาารบอกว่าเนี่ยโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเตือนใจเตือนตนเอาไว้มันจะได้ไม่คุ้มคลังมากมันก็ลืมไปหมดที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะมันเป็นเพราะความหลงความลืมพอหลงแล้วมันก็ลืมหลงเข้าไปในอารมณ์งั้นแม้แจะจําได้เยอะนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่า มันจะทําได้มากจําได้เยอะแต่ว่าไม่ได้ทําเลยก็มีมันมีช่องว่างนะระหว่างการจํากับการทํามากแล้ถ้าจําได้เยอะแต่ไม่ทํามันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาแล้วคราวนี้ทํำยังไงนะเวลาเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องเอาธรรมะมามาใช้ให้เกิดผล ทำไงจะจำได้มันก็ต้องใส่ความตั้งใจนะความตั้งใจอย่างเช่นนะ่ะโกรธโมโหแล้วก็ด่าควรไปแล้วเรียบร้อยนะถึงค่อยจำได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำที่ครูบาอาจารย์บอกว่าโกรธเนี่ยเวลาโกรธให้มันนิ่งเข้าไว้ อย่าเพิ่งพูดอะไรมันลืมหมดตอนนั้นัน่มันนึกได้ตอนที่ด่าไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าไม่ควรกินอะไรแต่กินเข้าไปแล้วมันนึกได้หลังจากที่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เราไม่น่าเลยมันมักจะจําได้นะเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วแต่มันก็ไม่สายนะหากว่าเรา มีความตั้งใจครั้งนี้ยังทำไม่ได้ครั้งต่อไปทำใหม่ครั้งต่อไปก็ยังเผลออยู่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพราะตอนนั้นมันจำไม่ได้เลยว่าควรทำอะไรบ้างแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจ มีความมีการกำหนดเอาไว้อยู่ดูเนืองๆต่อไปมันจะจำได้เร็วขึ้นแล้วก่อนนี่ด่าไปแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงจึงจำได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่ต่อมานี่ยอะวนวายไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วจึงค่อยมานึกได้ วควรทำอะไรอะไรไม่ควรทำแต่ต่อไปนี่ในระหว่างที่โวยวายนั่นแหละมันนึกขึ้นมาได้ว่าควรจะนิ่งหรือว่าระลึกได้ถึงพุทธโธแต่ว่ายังห้ามใจไม่อยู่นะไอ้ความโกรธมารุนแรงกว่าแต่พอทาต่อไปผ่านไปผ่านไปมันจะจำได้ระลึกได้ ก่อนที่จะหลุดปากดาวไปก็สามารถจะยับยั้งใจไปได้จำได้ว่าโมโกรคือโง่โ ม, โ ม, โมคือบ้าจำได้ว่าต้องกลับมาอยู่กับพุโทโธนะหรือว่าดิ้งเข้าไว้หรือว่าเดินออกห่างจากเหตุการณ์หรือคนคนนั้นอพอจำได้มันก็เริ่มลงมือทําแล้วก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ว่าไอความตั้งใจที่มีอยู่เสมอเนี่ยไม่ท้อถอยมันจะทำให้เราลึกขึ้นมาได้ไวขึ้นไวขึ้นจำได้เร็วขึ้นจำได้เร็วขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันคู่กันไปนะนอกจากความตั้งใจเนี่ยและที่ช่วยทำให้การจำเนี่ยข้อธรรมคำสอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยสิ่งนั้นคือสติสตินะ สติจิมก็คือความระลึกได้อย่างหนึง่งระลึกได้ถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ระลึกได้ถึงคำสอนของพระ เ, เจ้าว่าสิ่งต้องปลูกไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่จรังยั่งยืนการระลึกได้เนี่ยในสิ่งที่จดจำเอาไว้ในสิ่งที่เรียนรู้เอาไว้เนี่ยมันต้องอาศัยสติสติทีแรกมันเป็นความระลึกได้ใน พอทำคาสอนที่ได้จดจําหรือได้เรียนรู้มาพอระลึกได้ก็การเอามาใช้เพื่อแก้ยุบของตัวเองก็จะเกิดขึ้นตามมาแต่ต่อไปเนี่ยสติตัวที่สำคัญคือความรู้กายรู้ใจหรือระลึกรู้กายระลึกรู้ใจที่นําไปสู่ความรู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บนี่นะมันเรื่องมันสางเลยนะมันสางเลย ไมไ่สั่งมาจะสั่งจากอารมณ์ไม่จะเป็นความโกรธความเศร้าหรือว่าความโลภความอยากมันไม่เพียงแต่ทำให้เราลึกได้นในข้อธรรมแต่ว่ามันยังทำให้เกิดความรู้ตัวพอรู้ตัวนี่ไอสิ่งที่ไม่ควรทำมันก็ยับยั้งใจไว้ไม่ทำไอสิ่งที่ควรทำก็สามารถที่จะทำได้ อย่างที่ได้จดจํำมาหรืออย่างที่ได้เรียนรู้มา น, นสติเนี่ยมันในตัวเนี่ยคือสัมมาสติเนี่ยมันมันช่วยทำให้การจดจํานำไปสู่การกระทำได้อย่างแท้จริงทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่มากระทบ หรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นความโลภความอยากความโศกความโกรธและความกลัวมันทำให้หลุดจากอารมณ์นั้นหรือมันทำให้เราสามารถจะทำในสิ่งที่ควรทำได้ลำพังการจดจำคำสอนเนี่ยแม้จะเลิกได้ในยามที่มันเกิดอารมณ์ถ้าอารมณ์มันท่วมท้นบางที ในการจดจําคําสอนนี่มันก็ไม่ช่วยนะอย่างเช่นใครที่กำลังโกรธอยู่เนี่ยเกิดแล้วึกขึ้นมาได้ปะโกรธคือโง่โมอคือบ้ามันก็จะมีเสียงหนึ่งเสียงนึงบอกว่าเนี่ยกูยอมกูยอมโง่กูยอมบ้าปะจะขอให้กูได้ดา่ามันขอให้กูได้ทําร้ายมันคําสอนครูบาอาจารย์บางทีมันก็มันไม่ฟังนะเพราะว่าตัวโกรธมันครอบงำ หรือแม้แต่ใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์เนี่ยบางทีก็ไม่ได้ผลนะขณะที่มีความอยากเนี่ยอยากกินนะของหวานเนี่ยใช้เหตุใช้ผลว่าเออกินแล้วเดี๋ยวเป็นเบาหวานนะกินแล้วเดี๋ยวอเป็นโรคหัวใจนะไม่สนใจนะเหตุผลไม่สามารถที่จะบางครั้งก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับอารมณ์พวกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นโลดจะเป็นโกรธจะเป็นกลัว บางคนกลัวตุกแกเนี่ยใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์นั้นว่าตุกแกมันไม่น่ากลัวมันไม่ได้ผลมันยังกลัวอยู่พอจะกลัวสักอย่างบางครั้งเนี่ยใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์เหล่านี้นี่มันไม่ค่อยได้เนี่ยเอาไม่ค่อยอยู่หรือบางครั้งเนี่ยพอใช้เหตุใช้ผลกับอารมณ์มันก็โตมาด้วยอโตมาด้วเหตุด้วยผล ที่ทำให้เราเผลอหรือทำไมเราพลาดได้เพราะว่าตัวอารมณ์ก็มีเหตุมีผลของมันเหมือนกันจะใช้อารมณ์กับจะใช้เหตุผลกับมันเหมือนกับเอาเหตุผลมาหลออ ม, มาหวานล้อมมาล่อล่อให้เราหลงเชื่อมันก็ได้่ความกลัวมันก็มีเหตุมีผลของมันเหมือนกันต้องด่ามันนะเพื่อสั่งสอนมัน เพื่อไม่ให้มันทำอย่างนี้อีกจะได้ไม่เกิดผลเสียกับส่วนรวมโยมต้องขาวนี้ต้องยอมทุจริตบ้างนะจะได้เอาเงินไปเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมนะช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยมันก็เอาเหตุผลมาหวานล้อมให้เราหลงเชื่อตามหน้าของมันใช่ใช่ผลกับมันไม่ได้เอาผิดเอาถูกกับมันบางทีก็ไม่ได้ผล นะแต่ว่าเหตุผลแต่ว่าสติที่มันเอาอยู่นะสติที่มันไม่ใช่ไปลงเหตุผลมันไม่ต้องใช้ความคิดนะพอมีสติมันเกิดความรู้ตัวขึ้นมาไออารมณ์พวกนี้มันก็เจิงไปเลยใช้เหตุใช้ผลกับมันบางทีก็ไม่ได้ผลแต่มันเอาเหตุผลที่สวยรู้มาโต้กับให้เราคล้อยตามก็มี แต่ว่าถ้าเรามีสติมีความมีความรู้ตัวขึ้นมาอารมณ์พวกนี้มันกระจงนแ้นแสตินี่มันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเองน ะ, ะมันก็เช่นเดียวความจำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำบ่อยๆทำบ่อยๆเราจะจำอะไรได้ดีก็ตพรเื่องเราทำบ่อยๆทาบ่อยๆเราจะจำศัพท์ได้ดีก็ต่อเมื่อเราท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆหรือเห็นมันบ่อยๆ เห็นปุ๊บนึกออกเลยว่าแปลว่าอะไรอันนี้เรียกว่าจากการจำเนี่ยมันไปสู่การปฏิบัติสติก็เหมือนกันนะมันต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆทําให้ทําสม่ําเสมอไม่ใช่เฉพาะเวลามาเข้าคอร์สไม่ใช่เฉพาะเวลาเดินจงกรมไม่ใช่เฉพาะเวลาทําในรูปแบบแต่ว่า มีสติหรือว่าสร้างสติอยู่กับการกระทําทุกอย่างตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยทำอะไรใจก็อยู่กับสิ่งนั้นฝึก ท, ทําทระอย่างอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันเมื่อ ท, ทําทระอย่างใจก็อยู่กับสิ่งนั้นเต็มร้อยมาจจะเผลอพายไปบ้างก็ธรรมดาจะกลับมาดยู่กสิ่งนั้นอันนี้มันก็เป็นการทําให้สติเนี่ยเจริญ ง, งอกงาม เพราะมันเป็นการทํำบ่อยๆเป็นการทํำบ่อยๆทีแรกก็อาจจะเผลอทําหลายอย่างพร้อมกันแต่ว่าทำไปทําไปมันก็จะระลึกขึ้นมาได้ว่าเราต้องทําเท่ารอย่างนั้นทําเท่รอย่างนะมันจะจําได้บ่อยขึ้นเร็วขึ้นพอมันจําได้ว่าต้องทําเท่ารอย่างนะอ้นเราก็พยายามเอาใจมีกับสิ่งนั้นพอทํำบ่อยๆทํำบ่อยๆ สติมันก็เจริญงอกงามแล้วมันก็ม า, าไวถึงเวลาที่เผลสติก็ทำงานเองถึงเวลาที่เกิดอารมณ์เพราะมีการสูญเสียเพราะถูกกระทบเพราะถูกสิ่งล่อเร้ยาย่อยยนอ่ะมันก็มีสติขึ้นมารู้ตัวรวมทั้งรู้หรือจำได้นะถึงคำสอนของครูบาอาจารย์รู้ว่าอะไรควรทำและ ไ, ไม่ควรทำ การปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นทันทีจากการจำก็สู่การกระทาช่องว่างระหว่างจำกระทํามันก็จะค่อยๆแคบลงแคบลงไม่ใช่ว่าจำได้แต่ว่าไม่ทําเลยเน้นพยายามทาให้การจำนี่มันกลายเป็นการกระทําแล้วจากนั้นเนี่ยนอกจากมันจะจำได้แม่นต่อไปการจำก็จะกลายเป็นความรู้ มันจะไม่แค่การจดจําแล้วมันเป็นความรู้จํานี่มันยังยังไม่ใช่ความรู้นะหรือถึงเป็นความรู้ก็เป็นความรู้ชั้นสองแต่พอทําบ่อยทำไบ่อยมันก็เป็นความรู้ที่อยู่กันเลกับตัวเป็นความรู้ของตัวเองแล้วถึงพอเป็นความรู้แล้วเนี่ยมันไม่ต้องจําแล้วนะมันจะปฏิบัติสิ่งต่างอางถูกต้อง เวลามีอะไรเข้าของอะไรก็รู้ว่าของเรานั้นไม่เที่ยงนันพอถึงเวลาที่มันสูญหายไปเออก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหรืออาจจะเผลอเนะีเสียใจเศร้าโศกที่ได้สูญเสียแต่ว่าก็พระๆก็ระลึกรู้ขึ้นมาได้ว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันเป็นธรรมดามันก็ทํทำให้ผ่านความเศร้าความโศกไปได้ เช่นเดียวกับอารมณ์อื่นนะเช่นความโกรธความกลั ว, ว, ลวอันนี้พอจากการจำเนี่ยไปสู่การทำและจากการทำไปสู่ความรู้รู้ธรรมชาติความจริงของสปปรรพสิ่งมากขึ้นเรื่อยๆใช่หรือเพื่อท่านนี้นะ